จะได้ที่ายธรรมะทั้งกันสองของพื้นเจ้าให้เข้าใจเราทุกคนจะเชื่อเป็นสาฟนิกรชนทางบันณฑิตอเศจรัรั์ที่รวมกันอยู่ในที่นี้จะเชื่อเป็นผู้ศึาฟนิกรชนเดวยกันทั้งนั้น เราเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาคำสอนของพุทธเจ้าณจึงค่อยนอมกายว่ า, จาใจเข้ามาในศาสนาเมื่อว่าน้อมใจเข้ามาแล้วจงตั้งใจปฏิบัติที่ว่า ขุทธสาสหาสมิดาสาวัสดิ์ทัง้งนัตสาสมิดาสาวัสังคธาสมิดาสาวัสดาไปเจ้าขอเป็นทาสผู้ทธ่เจ้าขอเป็นทาสจะทรเพราะเป็นทาสจะส่งคำว่าขอเป็นทา ส, ทนทาสในที่นี้ยอมสาะทุกอยา่างยอมโดยกายแล้วกใจ จึงได้ชื่อว่าเป็นธาตุคำส้นของ อ, งองุปเดชเจ้าท่านสอนไม่ให้นอกเหนือจากกายว่าใจใจของเราเหตุนั้นกายว่าใจใจของเราจะต้องยอมเป็นธาตุที่พูดพิษพูดชอบทุกสิ่งทุกประการไม่นอกเหนือจากกายว่าจใจใจ เราตั้งใจเราคิดดีด้วยกายวาจารใจก็อยู่ที่ดวงเหล่านี้เราคิดชั่วด้วยกายวาจารใจเพราะความชั่วควคิดชั่วเร็วสามนแต่ เ, เพราะกายวาจารใจนี้ใจเป็นของอันเดียวมัใช่ของมากมายเมื่อทำดีแล้วมันก็ละชั่ว ละสามชั่วแล้วต้องขละดีเหตนั้นตั้งใจทำดีเสียให้ละชั่วแล้วปฏิบัติศาสนาต้องปฏิบัติอย่างนี้จึงจะเข้าถึงพุทธธรรมส่งถ้าหาท็ไมฟังความชั่วอยู่อย่างเดียว เราไม่ยอมละก็ได้ชื่อว่าในเข้าถึงพุท ธ, ธรงมสมุขเราปฏิบัติกรรมฐานที่ว่ากรรมฐานก็คือตัวของเรานี่แหละเจษฎามาณธาทันตต า, าโจอาการสามสิบสอง ก็มีในตัวของเรานี้ทั้งนั้นกรรมฐานมีทุกคนที่เรียกว่าพระธรรมคงสองพระเจ้านั้นแท้ที่จริงคือกรรมฐานไม่ได้นอกเหนือจากนี้ไปไหนพิจารณากายของตนให้เห็นเป็นธาตุี่ดินน้ำลงไฟ แลพวก็ตัวของเรานี่เท่านั้นไม่ได้มีในที่อื่นคำปมาฐานเป็นคำาระฐานแด้นะเป็นคำประฐานก็คือเป็นธรรม้นย่วทนะนาเห็นกายของเราที่เรียกว่าสติประธานสี่กายเวทนาจิตธรรม คืกายสักแต่ว่ากายเห็นกายของเราสักแต่ว่ากายเห็นเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาเห็นจิตก็สักแต่ว่าจิตเห็นธรรมก็สักแต่ว่าธรรมไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลแล้วเขาทั้งหมดนี่เป็นถ้าไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลแล้วเขาแล้เป็นอะไรก็เป็นธรรม เรียกว่าเป็นธรรมคือสภาวะอันหนึ่งเราไม่เรียกส ม, มุดเป็นเห ม, มือนสมุดบัญญัติต่างหานั่นที่เรียกว่าคนเรียกว่าตนตัวเราเขาเรียกว่าสัตว์นั่นนี่อะไรต่างกัเป็นส ม, มุดปัญญัตินุย์เราอยู่โดยสมมุติบัญญตัติสมมุติปัญญัตินี้ สมุดเรียกกันบัญญัติเรียกกันให้รู้จักชื่อเสียงให้รู้จักคนนัองคนนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไ้มามมติดสมุดบัญญตัติถ้าหากพูดถึงเรื่องความจริงอล้วนั้นมันไม่ใช่สั ต, ตว์ตัวตนบุคคลของเขาอด้ะทั้งหมด ธาตุสี่ที่ว่าดินน้ำไฟลมก็เป็นสมุดขันหะที่เรียกว่าดูเบจนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เรียกว่าสมุดก็เรียกว่าบัญญัติไม่ใช่เรียกสมุดเรียกบัญญัติธาตุสี่ 5, เรียกบัญญัติขันหะเรียกมญฑ์ในยุทธนาสิตาหูัวูกหนังกายใจ หมายจำนาภายในภายนอกคือรูปแสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมะาลงอันนั้นเรียกสมมุติสมมุติมมตนี้แล้วก็ได้เจ้าท่านบัญญัติขึ้นต่างหานอกจ้าพระพุทธเจ้าอันนี้ใครบัญญัติเนี่ยพระพุทธเจ้าองค์เดียวในโลกอันนี้บัญญตัติบัญญตัตทับสมมุติลงไป ถ้าหากว่าพ่อแม่บัญญัติก็ไม่รู้เรื่องอีกเหมือนกันคนเราก็พูดก็ไม่รู้เรื่องเนี่นั้นถึงบัญญัติตงไปถ้าไม่จักสมมุติโดยจากบัญญัติม <c oughs> ันยังก็เรียกถูกเรียกสมมุติบัญญัตนินั้นทุกเมื่อมนุษย์คนเราอยู่โดยสมมุติบัญญัตินี่แหละแต่มเมื่อ <c oughs> ก็นาถึงธรรมะแล้วถึงของจริงแล้วเป็นกับหาว่าอันหนึ่งคือเป็นธรรมที่วก็จะเจ้าท่านเทศนาว่าธรรมนานุตตรธรรมะก็เป็นอนัตตาส่วนกล่าวมุม่มีสาระไม่มีแกนสารไมีตนไม่มี ต, นนตัว ธรรมานตา่าผู้พิจารณาเห็นอย่างนี้แหละเรียกว่าเห็นธรรมอย่าไปพิจารณาอื่นไปไหนธรรมไม่ใช่ของลึกไม่ใช่ของตื้นพิจารณาเสร็จแล้วไม่ใช่ของลึกอะไรนะักคือตัวของเรานี้แหลเป็นธรรมเห็นอย่าง น, นี้เรียว่าเป็นเห็นธรรม ้าเข้าใจไวลึกตัวของเราพิจารณาได้ก็ไม่ได้ไม่เห็นไม่ไม่เป็นสินไม่ธรรมเลอกเกินธรรมะนั่นก็เลยเป็นของเล็กไปเสียคือมันไม่เห็นของจริงไม่เห็นธรรมะเป็นของเป็นจริงแท้ที่จริงมานเป็นธรรมอยู่แล้วแต่ไม่เห็นธรรม ต้งเราทั้งหมดเป็นธรรมเท่านั้นแต่เราไม่เห็นธรรมมันดูเป็นของเล็กทั้งท่านตัวของเรามนี่ยวิจารณ์เห็นเป็นธรรมทั้งหมดใครๆก็เป็นธรรมทั้งหมดโดยเป็นของตื้นนิดเดียวโลกะธรรมของเทวโลกกธรร ม, กกมคือมีลากเสื่อมลากมียดเสื่อมหยด มีสุขมีทุกข์มีสันนิษฐนมีนินทามีโลกกระทำตั้งแต่ที่ว่าโลกกระทำโลกนั่นแหละมาเป็นธรรมเป็นวโลกกระทำท่ามนมีโลกแล้วก็มามีธรรมแล้วได้มาเป็นธรรมพระพุทธเจ้าเกิดก็เกิดในโลกอันนี้แหละมาวัดในโลกอันนี้แหละ ถจาไปยาอะไาพิจาราโลกอันนี้แหละมันกลายเป็นธรรมไปมันเลยกลายเป็นธรรมที่มาโลกเป็นธรรมสุขทุกมันนเป็นอยู่อย่างนั้นใครไปยึดเอามาเป็นของตัวเลยทุกสุขก็เหมือนกันถ้นาไปยึดเอามาเป็นอยู่อย่างนั้นมีอยู่อย่างนั้น ได้ลาบพี่ดำลาบได้ลาบได้อะไรมาจะได้มาซึเรียกว่าลาบเท่านั้นนะคําว่าได้ลาบนั้นหมายความว่าได้ของมาของที่ได้มานั่ยนะเรียกว่าลาบได้มาทำไมของนั้นได้มาทําไมมันเป็นเยอย่างนั้นเอามามันก็ไม่มันก็เป็ีนอย่างนั้นไม่เอามามันก็เป็นเยออย่างนั้น อย่างเงินทองแล้วก็ของประมาณนี้มาเป็นของเราไม่ใช่ของเราเงินทองก็เป็นของเราได้เลยของรัฐบาลรัฐบาลมันใช้อย่างเรามาใช้เฉยเฉยใช้ของเราไม่ใช่ไม่อยู่ไม่อยู่ในมือมือของเรานัไนเงี้ของของไม่ใช่ เรเปลี่ยนแปลงไปหาคนอื่นไปไปคนอื่นก็ใช้ไปไปมันไม่เห็นอยู่ในมือของเราก็าปบานั่นมันก็แกส่วนไปเป็นขอคนอื่นไปไม่นาทัศน์โทไม่ใช่ของเราหมาคุ้มครองรักษาอยู่ถือมันนะว่าเป็นของตรงของตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปไม่าจากเราแนละ้ว เป็นของคนอื่นไปมัชั่วแล้วจะเป็นของลูกของงานของเด่นไปม่ดจากของเด่นของนับเป็นของคนอื่นไปเรื่อยไปมันจะได้อะไรคาว่าได้หรือไม่ได้คาว่าได้แล้วนะมันไม่จริงหรอกมันเป็นเรื่องเล่นได้ลาบเสื่อมลาบได้ยดเสื่อมยด พุทธิส่วนนิยตาก็เหมือนเหมือนกันเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นธรรมพระพุทธเจ้ามาเห็นของนี่แหละของเป็นอย่อยางนี้นท่านยังปล่อยวางไปยึดเอาทำไมได้เลยปล่อยวางแคตามสภาพนั้นนั่นแหละเป็นธรรม ผูปฏิบัติธรรมต้องพิจารณาอย่างนี้เห็นชัดตรกอย่างนี้เราทุกคนมีธรรมแล้วมู่ในตัวเราทุกคนเลีนเทียแต่ว่าเราไม่มพิจารณาหรือพิจารณาแล้วมันก็ยังบาดแผนเห็นจริง ควาที่ไม่เห็นจริงเพราะอะไรเพราะจิตเราไม่นิ่งเพราะจิตเราไม่สงบเพราะจิตเราไม่อยู่ถ้าจิตเราอยู่เรานิ่งนิ่งเราสงบแล้วจะเห็นชัดทุกสิ่งทุกอย่างสงบคงทีพสมมติว่าเราอยู่เดี๋ยวนี้อะ ทำจิตสงบทุกคนนะมองดูซึ่งกันรกันเราไม่มีอะไรเหลือเลยเป็นสภาวะหนึ่งเท่านั Deep ้นใช่อยู่อย่างนั้นเรื่องของมันเรื่องของคนเราเป็นอยู่อย่างนั้นทุกคนเรเป็นอยู่อย่างนั้นความแก่คนเจ็บคนตายก็เป็นธรรมทั้งนั้นหากเป็นธรรมอยู่อย่างนั้น นั่งอยู่ก็แก่นอนนี่ก็แก่ยืนเดินก็แก่แก่ก็คือความตายมันตายจากสภาพตัวเนท้งแก่แล้วี่ความตายไปในตัวเป็นจริงอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาถ้าหากกิดเรานิ่ง มาคิดแล้วมันนี่กระส่สายไปหาคนนั่งคนนี้คิดกันคนนั่นคนนี้ยุ่งมันวิวหน่อยหาความสงบไม่ได้เลยไปสงบสันยญญัินั้นเป็นลูกอันนั้นเป็นหลานนี่เป็นพีพพ่เป็นน้องนั่นเปญาติเป็นวงศ์รถไฟใหญ่โตทั้มันมีที่สิ้นสุดสุดที่ไหนสิ้นที่ไหนตายมันอะไรกัน จึงจะหมดเมื่อนั้นคือไม่ไม่ลมไม่มีลมหายใจแล้วก็เลยดับทุ้ไปแต่ว่าจิตใจยนะังนันยังไม่สูนีแ่และะหละเนี่ยระกังวดเกี่ยวกันไม่เห็นตามเภาพากันนั้นแล้วมันก็เลยนิ่งที่นั่งัวง น, นิ่นมะั้กรรมหัสตรงนี้ต่างหากหัดกรรมฐานหัด ธรรมะคำสอ ง, งพระเจ้าหัดพุทธศาสตราสนาฮัตอยู่ตรงนี้ถ้าหัดตรงนี้ได้แล้วได้เชื่อวถึงพระพุทธธรรมประสงค์ได้เชื่อวถึงธรรมะคำสันพระพุทธิจักเราเป็นกรรมฐานขึ้นมาในตัวทุกคนพากันปฏิภากันฝึกหัตอย่างนี้จึงจะถึงธรรม เป็นคำสอนพุทธเจ้าเนื้อแท้จริงเพราะฉะนั้นก็จสงพาตั้งใจพครับด้วยอธิบายไหม